ขอความสุขความเจริญจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอตายนะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคาถาของตายนะเทพบระบุเป็นอดีตเจ้าลัชิก่อนสมัยพุทธกาล เเป็นเพียรเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือละความชั่วประปฏิบัติความดีก็ได้บังเกิดเป็นเทพประบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงผลคำกล่าวของท่านเป็นคำกล่าวที่จากประสบการณ์ตรงของท่านเองคือมาความมาท่านทาความดีอย่างนั้นแล้วก็ส่งผลให้ท่านประสบความสุขอย่างนั้นงั้น แล้วก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์คืออย่างที่กล่าวไว้ว่าว่าสูตรที่เป็นแม่บทของผลจากการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องคือปัญญาของมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นทรหน้าที่สลายอวิชชาแล้วก็โลภะราคะโทสะก็จางตามลงไปโดยลำดับ พัถึงจุดหนึ่งใจของท่านจะบริสุทธิ์จากกิเลสในระดับต่างๆอย่างที่ท่านตายนาะเทพบุตรกล่าวทั้งหมดก็พูดไปถึงระดับฌานพูดไปถึงระดับลา ก, กามแต่ว่าท่านเองก็คงเป็นเทพบุตรในระดับกามาวจรภูถุ เพียงแต่ว่าในยุคสมัยที่ท่านศึกษาประพฤทิปฏิบัตินั้นก็คงจะได้บันลุหรื อ, อยังน้อยก็ศึกษาไปถึงระดับของรูปฌานอรูปานประจาคกากล่าวของท่านก็ลึกซึ้งขึ้นไปโดยลาดับวันก่อนได้พูดมาถึงในช่วงแรกคือคาถาของท่านนั้นเป็นทั้งหมดก็มีอยู่สามตอนตอนแรกท่านบอกว่า ท่านจงพยายามตัดตันหาเป็นดังกระแสเสียอันนี้มีลักษณะเป็นเป้ามากกว่าที่จะตัดได้ในขณะนั้นปรากฏที่จะตัดกระแสของตันหาได้ก็ต้องเป็นพระอหันเท่านั้นคนอื่นก็ตัดไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติความดีทั้งหลายของมนุษย์เรานั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็คือลดความเข้มข้นของตันหาลงไปตามลําดับ แล้ลองสังเกตว่าการมาตัญหาเราลดลงเพราะว่าตัญหาจะลดลงวิภว่าตัญหาจะลดลงแต่ว่าจะมีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นสูงขึ้นแต่พูดถึงทรัพย์สินเงินทองก็จะมีลักษณะเฉลี่ยแบ่งปันคนอื่นจนถึงกับบริจาคเป็นสาธารณะกุศลจำนวนมากๆ แล้วก็บังรรคับมะขาวก็อย่างสุมเม็ดาบทีท่เคยยกตัวอย่างมาก็สละสัพ์สดิงคารทั้งปวงพวกขนในด้านการพัฒนาจิตใจแล้วก็ตัวเองก็บำเพ็ญเพียรซึ่งก็ที่จริงก็ยกระดับจิตขึ้นสูงอีกระดับหนึ่งเพราะจิตของมนุษย์มันจะเริ่มผูกพันกับโลกวัตถุเนี่ยตราบใดที่อวิชามันเข้มข้นเนี่ยราคะาโลภโทสะ โมหะเขาเข้เขมขน้นเพราะจะปราถนาข่อยคว้ า, ยวาอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะไปหมดเลยแกจะตายแล้วนะอย่างอยากมันหยุด แ, แต่บางคนที่อวิชาเขาจางลงคลายลงเนี่ยภเกตที่มีชื่อต่างๆก็จางลงคลายลงตามไปใจก็จะเดินเข้าสู่กระแสของใจสิกขา ระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดก็แล้วแต่ระดับหยาบก็หมายความมาอยู่ในช่วงศีลระดับกลางก็อยู่ในช่วงของธรรมะปฏิบัติกับสมาธิระดับละเอียดก็คือสัมผัสปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงกับปัญญาสมบูรณ์ที่พระเจ้าทรงใช้คาว่าสัมมัปปัญญาคือปัญญาที่เห็นชอบคำนี้เรียกได้เยอะ แต่ในพระสูตรอย่างอนัตตลกนัสูตรในทรงใช้คำว่าสมัปปัญญาแตที่บางแห่งก็อาจจะเรียกว่ายานอาจจะเรียกว่าวิชาอาจจะเรียกว่าปัญญาอาจจะเรียกว่าแสงสว่างหรืออาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นจะสรุปว่าเป็นปฏิปักระรรมคือธรรมะที่ตรงกันข้ามกับกิเลสเมื่อก็เกิดแล้วคนแสดงสถานะของตนแล้วก็ลดความเข้มข้นของกิเลสให้จางคลายลงไป ต้งฟังลองสังเกตนะฮะว่ากิเลสเวลาลดเนี่ยเขลดด้วยกันเวลาเพิ่มก็เพิ่มด้วยกันธรรมะก็เหมือนกันนะฮะถ้าเขาลดเขาเออเขาก็เพิ่มก็เพิ่มด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่จิตจะต้องสัมผัส ต, ต่อกันไปสามช่วงเนี่ยคือปัญญาเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์สูงขึ้นโลกทัศน์คือจะไม่แตกรูณาเพิ่มขึ้นนี่คือสุด ปัญ ต, ตายานเทพประบรท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่านเองประสบผลดูตัวกันท่านเองแล้วเป็นเทพปบุตรอยู่ในสวงสวรรค์แล้วคําสอนเหล่านี้ที่จริงพระเจ้าก็ทรงสอนทรงแสดงมาก่อนที่ท่านจะมากราบทูลให้ทรงทราบประการที่ท่านมากราบทูลให้พระผู้เจ้าทรงสดับเนี่ยก็ทํานองคล้ายๆก็มายืนยันความจริง ที่พูเจ้าทรงสแสดงไว้ก่อนหน้านั้นว่าอําอันนวยผลให้เกิดเป็นความสุขมีภูมิจิตสูงขึ้นภูมิธรรมสูงขึ้นพบพิจิตติปอุบัติก็จะสูงขึ้นมีท่านเป็นตัวอย่างแต่ท่านก็ไม่บอกว่าท่านแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าจงบรรเทากรามทั้งหลายเสียเถิดนะพระแล้ว อ, อย่าลืมว่า ตรงเนี้ยที่จริงมันก็คือลดลดตันหานั่นเองแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราพูดระดับดับตันหามันก็พูดยากพูดได้แต่ทำยากเพราะแต่เรามองในแนวของอภิเสนธรรมสประการที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะเหมือนกับพนักอิงมีลักษณะคล้ายๆกับรถเก้าอีออ้นั่งเนี่ยมันมีเซติเบน โยนั่งครื่องบินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีพนักข้างหลังแล้วก็มีเท้าแขนสองข้างแล้วก็มีเซฟติเบนคาดหมายความว่าจะรักษาตัวเองให้ทรงตัวไว้ได้แม้จะเกิดอุบัติเหตุก็จะลดความรุนแรงลงไปในกรณีของกามวิตกซึ่งก็สืบเนื่องมาจากยิตเรามีกามาตัณหา หรือพยาบาทวิตกสืบเรื่องมาจากจิตเรามีความมาคาดพยาบาทวิิงสาวิตกสืบเรื่องมาจากจิตเรามีความเบียดเบียนอยู่มันก็จะจางคลายลงไปก็จะส่งสอนในรูปของบรรเทาพวกวิตกทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นจากข้างนอกหรือว่าอาจจะเหนียวนึกหรือนึกขึ้นมาจากข้างในตัวเราเองเราต้องมารเทาใจเราเองเดี๋ยวคนอื่นก็ช่วยบรรเทาให้ไม่ได้หรอก ้นบันเทาจริงๆตัวจะถูกบันเทามากก็คือตัวกิเลสพอตัววัตถุกรรมเนี่ยมันเป็ น, นยางที่มันเป็นเน่เราไปบันเทาอะไรมันไม่ได้หรอกแต่เราลดความให้การให้ความสำคัญของวัตถุกรามเราดันลงไปจ่ก็จะมีเหตุผลมีสติปัญญาแล้วลดโลภะลดราคะลดโทสะลงไปซึ่งถ้าหากว่าทาได้จริงๆก็คือเป็นลดที่ตัณหาทั้งสาประการด้วย จะบอกว่ามุนีธละการทั้งหลายไม่ได้แล้วหมายความว่าในขั้นของการปฏิบัติระดับมุนีเนี่ยแปลว่าผู้รู้หรือผู้สงบหรือผู้นิ่งก็ได้ธละการทั้งทั้งหลายไม่ได้แล้วเนี่ยย่อมไม่เข้าถึงความมีจิตแน่วแน่ได้คือจริงๆเนี่ยแปลว่าเข้าฌานยังไม่ได้ทานนี้เป็นการพูดถึงระดับฌานละ ผู้ถึงระดับรูปฌานโประการจะเข้าฌานหรือเข้าสมาธิได้เนี่ยมันต้องไปสงบที่ตัวกรรมฌานได้และตัวกรรมฌานก็คือมิบรธรรมที่กระตุ้นจิตให้เหนีวเลืกสึกนึ ก, ก, นกด้วยอํานาจความใคร่ในโล ก, กวัตถุทั้งหลายตัวมันเป็นกิเลสกามตัววัตถุข้างนอกนั้นเป็นวัตถุกรรม วัตถุกรรมยังไงยังไงเราก็แก้เขาไม่ได้นะครับเพราะโลกของวัตถุมันเป็นอย่างนี้ปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่ปัญญารู้เท่าทันมากน้อยแค่ไหนเพียงไรยันที่เคยยกตัวอย่างพระพุทธธรรมรัดที่พระเจ้ารับสั่งแก่พระภิกษุสงฆ์จำแนกสภาวะทางจิตของมนุษย์ออกเป็นสองฝ่าย ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้นตรการดูราชรสที่พวกคนเขาค้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค้องอยู่ไหมหมายความมาความตระการด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสเี่มันมั น, มนไปไปทําอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่เราดึงจิตออกมาจากการกําหนดอารมณ์เหล่านั้นด้วยอํานาจความกําหนัดหรือด้วยอํานาจของความใคร่หรือแม้แต่ด้วยอำนาจของความโกรธแล้วก็แยกจิตออกไปวัตถุก็คือวัตถุจิตก็คือจิต เราก็เดินผ่านไปเฉยๆโดยไม่เกิดอาการที่เราเรียกว่ายินดียินร้ายแต่ประการใดทีนี้ท่านมาเน้นว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรความเพียร น, น่าจะพูดแต่งไงก็ตามนะฮะมันก็จะเพียรอยู่สี่แนวนั่นแหละไม่รู้จะว่าอะไรแหละคือเพียรป้องกันความชั่วขจัดความชั่วเพิ่มพูนความดีรักษาความดีนั่นรีกว่าเต็มยศ แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระในภาคสนามจริงๆเนี่ยเราต้องปฏิบัติจริงๆก็คือการเพิ่มพูนความดีและปริมาณความดีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะลดปริมาณความชั่วให้เข้มข้นน้อยลงแล้วเมื่อได้ลิ้มรถของความสงบเย็นมันก็จะเกิดความกระตือรือร้นที่จะสัมผัสได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึนคล้ายๆเรารับประทานของอร่อยเนี่ยรับประทานแล้วก็รับประทานอีก เมื่อกล่าวถึงรถเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าสับบารรม b r ร s o t h a m ร a s a n g s ิ i n รถแห่งธรรมในชนะรถทางปวกซึ่งก็หมายความว่าเป็นสัมผัสตรงทางใจของผู้ปฏิบัติที่จะสัมผัสได้ด้วยตัวเองบอกกล่าวเล่าขานชี้แจงอธิบายขยายความยังไงมันก็สัมผัสไม่ได้เพียงแต่ว่าปลูกชันท่าอุสาหะขึ้นภายในใจ หรือสำงวนที่หลวงพ่อปัญญาอนันท์ท่านชอบใช้ว่าเตือนจิตสกิดใจคือเราไปทำอะไรไม่ได้จริงๆไปกะเกณฑ์ไปบังคับไปสั่งการให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้เท่าที่ทำได้แม้แต่พระเจ้าเองก็รับสั่งว่าอัคาตาโร ต, ถ า, ต, าตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น ปฏิปราปโมขันตีชาญรวมาราบัญธนาการประพฤติปฏิบัติการเพ่งพินิษการทําจิตไหลุดพ้นจากมานเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอทั้งหลายจะต้องทําด้วยตัวเองตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความเพียรพยายามจึงต้องทําเอาจริงเอาจังกิออยาเจกิยาเถนังดันหะเมนังปรกกเม แต่จะทาความพยายามต้องทำความพยายามนั้นอย่างจริงจังต้องบกักบนันต้องมุ่งมั่นเพื่อเกิดผลที่ตัวเองต้องการพวกนี้ถ้าเอาไปใช้ในกรณีของกิจการงานมันก็ทำงานในแต่ละวันให้สำเร็จบางวันมีงานจรก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วก็บางทีเนี่ย ปริมาณงานมันมากเราต้องเพิ่มเวลาขึ้นจึงทรงเน้นว่าให้ทำการงานนั้นอย่างเอาจริงเอาจังคือฟังการอภิปรายของวุฒิสภาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรพิเศษสององค์กรเนี่ย น, นะฮะปปชกับกะกะตคื อ, อยังนึกว่า โดยกระบวนการจริงๆเนี่ยเราไปรู้ชัดเจนอะไรไม่ได้หรอกมเมื่อเวลามันน้อยเราก็เพิ่มเวลามันคือจะใช้ระบบราชการใช้ระบบพิเศษมเมื่อเราสามารถประชุมกันถึงเที่ยงคืนถึงที่หนึ่งที่สองได้เราก็ประชุมพิจารณากันถึงที่หนึ่งที่สองได้ ก, ไาา ก, 1, ไดก็เพิ่มเพิ่มชั่วโมงขึ้นมันก็กลายเป็นการเพิ่มวัน การกลายเป็นการเพิ่มวันก็กลายกลายเป็นการลดวันที่ต้องใช้จริงๆลงไปแล้วก็ไปพบกันในจุดที่มันเป็นตัวบทกฎหมายอยู่แล้วได้แต่ว่าวิธีคิดของชาวบ้านกับวิธีคิดของพระนั้นอาจจะต่างกันคือพระเวลาทำงานไ่ไม่เคยคิดถึงเรื่องเวลา จะดึกเดืนที่งคืนยังไงก็ทํากันไปเรื่อยจนกว่าจะหมดแรงแล้วก็ทํางานกันมาอย่างนั้นนะพระที่ทํางานจะทํางานในลักษณะนั้นเราถามว่าใช้วันละกี่ชั่วโมงเราก็ไม่รู้ไม่เคยสนใจมันแล้วเราก็ไม่เคยรู้เรื่องวันหยุดด้วยวันไหนวันหยุดไม่หยุดเราไม่รู้เรื่องเลยคือไม่เคยสนใจวันเหล่านั้นเรามีหน้าที่แต่จะต้องทําภารกิจการงานที่เราต้องรับผิดชอบในแต่ละขณะเท่า น, นั้นเอง เพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการมองชีวิตที่ความตายจะปรากฏเมื่อไรหร่เราก็ไม่รู้ก็ใช้ปฏิบัติใั่นดีที่สุดพรงนี้ไม่รู้เราจะอยู่หรือจะตายเรา ก, ก็ไม่รู้เมืแก่นพระท่านก็บอกบอกว่าพึงบากบันทําความเพียร น, นั้นให้มั่นเพราะว่าสมณรรมเครื่องละเว้นที่ยอ่อหยอดคือการปฏิบัติอะไรก็ตามไม่ใช่ทั้งพระทั้งคารวะนั่นแหละ คือถ้าเรามองจริงๆนะว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่ยรงมันเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นธรรมะล้วนๆที่มันหมุนไปพันพฤติกรรมของมนุษย์มันออกมาสมทางไกุศลธรรมากุศลธรธมรมะปยากตาธรมาลองนับดูเถอะมันไม่อื่นไปทางที่สามสามทางเนี้ยทางใดทางหนึ่งเพราะตบอดมันก็เป็นการเจริญกุศลเช่นว่าการ จัดรายการวิทยุกระจายเสียงโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเขาก็ปฏิบัติธรรมอ่ะคือหมายความว่าเรามามีหน้าที่บรรยายเราก็ปฏิบัติธรรมในฐานะบรรยายเขาในฐานะสนับสนุนเรื่องค่าเวลาเขาก็ปฏิบัติธรรมไปสถานีเองก็ปฏิบัติธรรมในฐานะที่เป็นคุ้สัญญา พอต้องคาญนะถ้าเราทั้งทั้งกระบว์เนี่ยมันสุจริตคนผู้รับฟังก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องดีงามเหมือนก็อาจจะเตือนจิตสกิจใจอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ก็มีคนมีญาติโยมที่สนใจเข้าใจแล้วก็ติดตามแต่รอถึงกา ร, ริปฏิบัติ เพื่อการบตดอะไรก็ตามที่ย่อหย่อนเนี่ยมันเหยาะแยะ่ท่านอุปมาดีท่านอุปมาเหมือนกับเราจับยาคาเนี่ยเราดึงยาคาถ้าเราจับไม่แน่นเนี่ยนอกจากว่าถอนยาคาไม่ขึ้นเรัจะถูกยาคาบาดมือเอาเพื่อการอยู่ในฐานะอะไรใครอะไรก็ตามมันพร้อมที่จะเกิดโทษสะสมแบบทุลีสะสมหมักหมมแบบทุลีสสมมมมตลแต่ฉนิม แบบฝุ่นละอองแบบโครนตรม้มอะไรก็แล้วแต่เะตุกาให้คุณภาพสูงสิ่งเหล่านั้นต่ำลงไปแล้ท่านก็เน้นย้านะความชั่วไม่ทำเสีเลยประเสริฐกว่าอักกตังดุกตังสยโยอันความชั่วร้ายทั้งหลายไม่ทำเสีเลยแล้วก็ดีที่สุดหละอักกะตังดุกตังสยโยประเสริฐที่สุดแต่บอกประเสริฐที่สุด เพรา ะ, ะไรเพราะว่าความชั่วคือความชั่วเลยเราปฏิเสธตัวผลของความชั่วไม่ได้คือทาปั๊เนี่ยไอตัวกรรมเนี่ยมันจบแล้วมันยังเหลือวิบากเพราะวิบากจะตามเราไปบูดดูดเงาที่ตามเราไปกรรมดีก็เหมือนกันกรรมชั่วก็เหมือนกันก็จะตามเราไปเราจะให้ผลแก่บุคคลเราเนั้น เมื่อวันก่อนได้ดูข่าวฆาตรกรจากสหรัฐอเมริกาหนีมาอยู่ประเทศไทยแกหนีอยู่ได้ตั้งสิบกว่าปีแกฆ่าเด็กผู้หญิงกว่าหนึ่งยุหกัวแต้ก็นึกไม่ออ ก, กว่าความคิดของคนเนี่ยเป็นไงเด็กหกขวบมันลูกหลานที่กำลังน่ารักมากๆไปฆ่าได้แล้วเด็กคนนั้นเป็นนางงามสหรัฐอเมริกาใชด้วย แสดงต้องเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วที่เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้พ่อแม่เนี่ยถูกเป็นจำเลยในคดีเลยกว่าจะหลุดรอดก็มาก็สะบักสะบอมกันแต่เราก็เห็นว่าสัตว์โลกในสุดก็เป็นไปตามกรรมตำรวจไทยก็จับได้ก็ดูหน้าตาเขาก็ตอนนี้ก็กสี่สิบกว่าแต่ตอนค่าเด็กเนี่ยก็สแสดงเขาก็แถวสามสิบ อ, อาจจะยีสบกว่าบแต่ก็นึกไม่ออกนะเพราะเขาทําได้งไงในเรื่องเรื่องที่นึกไม่ออกเนะี่ยมันก็เยอะก็แสดงว่าวิทยาวะทางด้านสํานึกรับผิดชอบอย่างที่บอกท่านสาธุชนอยู่เสมอว่าคือสังคมเราตราดใดที่ยังไม่เชื่อกฎของกรรมยังไม่เชื่อกฎของสังสารวัฏและจะแกว่งอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีทางจับหลักได้หรอก เพราะความรับผิดชอบเธอจะตามนันทีเลยแต่เธอไม่เชื่อกฎของกรรมไม่เชื่อกฎของสังสารวัฏคือการกระทำดีก็าตามทําชั่วกว็าตามเราเป็นผู้เสวยผลเพราะฉะนั้นกรรมในมันต้องจับไปได้ทั้งสามข้อคือกรรมมัธาความเชื่อมั่นในความมอยู่ของเจตนาที่เป็นเหตุให้ทําลงไปพูดลงไปแม้แต่คิดออกไปแล้วเมื่อทําพูดคิดไปแล้วก็ต้องเชื่อผลที่เกิดขึ้นที่จึงเราเห็นหลังจากทําพูดคิด สมมติเราด่าเขาเนี่ยจิตใจเราไม่สบายเราคิดอาฆาตพยาบาทคนเนี่ยจิตใจเราไม่สุบแล้มันก็เห็นกันอยู่อะแต่ว่าคนบางคนเนี่ยมันรู้สึกสะใจรู้สึกพอใจที่ได้ประทุษร้ายคนอื่นได้ด่าคนอื่นหรือถ้าเรามองภาพเหล่านี้แล้วก็เป็นหน้าหน้าวงใหญ่สังคมนะมีคนเคยส่งไอซีดีบ้างดีไดีบ้างหมายฟังที่เขา อภิปรายกันในที่ต่างๆคนฟังสแสดงความชอบอกบกชอบอใจปรบมือสแสดงความชื่นชมแล้วก็ถูกชี้นำความคิดจากพิธีกรอน่อา น, นเราฟังแล้วเราก็เสียดายเสียดายคนที่เกิดมาไม่กี่ปีแต่เราจะต้องตายตายจากโลกนี้ไป ทำชั่วทำไมเรามาด้วยความดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำไมมาทำชั่วเพื่อจะตายไปตกนรกตายเป็นสัตว์ดิชันตายเป็นเปรตตายเป็นนักสุรกายและที่สำคัญยิ่งคือใจมันตกนรกแล้วใจที่เกิดอาฆาตพยาบาทเดี๋ยเป็นใจเหมือนกับตกนรกใจที่กระสันอยากยหิวโหยอยากได้เนี่ยเหมือนกับเป็นเปรต ใจที่คิดไม่ซื่อคิดหลอกลวงล้อมแปลงบิดเบือนก็เป็นอาสุรกายใจที่ไร้เหตุผลไร้สติปัญญาไร้การคิดใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นก็เป็นแบบสัตว์ที่ละจานทร์เพื่อทำยังไงอย่าให้จิตมันไป ถูกครอบงำด้วยกิเลสเหล่านี้เกินไปท่านบอกว่าความชั่วไม่ทําเสียเลยประเสริฐกว่าเพราะว่ากรรมชั่วย่อมตามเผาผลาญในการภายหลังได้อันนี้เป็นสูตรเลยไม่มีทางที่จะหลบอ่ะคือกรรมนี่มีอย่างเดียวเราจะล้างกรรมได้มีอย่างเดียวคือไม่ทํากรรมชั่วแต่ เ, เราทำกรรมดีกรรมดีนะ่ะจะล้างกรรมชั่วให้แต่เราล้างเองไม่ได้อ่ะ อย่างที่เยกตัวอย่างว่าเราขาจัดความร้อนเองไม่ได้แต่เราเปิดพัดลมเราเปิดแอร์เราก็ใช้พัดเนี่ยบรรเทาความร้อนให้ได้แต่ว่าสิ่งที่จะขจัดความร้อนก็คือเความเย็นความหิวเองเรายังขจัดไม่ได้เราก็ต้องรับประทานอาหารแล้วอาหารเนี่ยมันจะช่วยขจัดความหิวให้ เพราะการทำความดีก็คือการละความชั่วการละความชั่วก็คือการทำความดีโดยเว่าการละความชั่วเป็นความดีระดับศีลการทำความดีเป็นความดีระดับภาวนาระดับธรรมะเป็นธรรมะปฏิบัติพูดง่ายว่าจเจริญกุศลนั้นอยู่ในกลุ่มก็ภาวนาใหม่ ถ้างั้นลองสังเกตนะบุญยักกิยาวัตถุสิบประการเนี่ยที่จริงตัวหลักมันมีแค่สองกับสาประการคือทานศีลภาวนาเพราะการกระทาอะไรก็ตามที่อยู่นอกกรอบของฐานกระสีลการกระทํานั้นเรียกว่าภาวนาหรือก็แม้แต่ความคิดดีเนี่ยมันก็เป็นภาวนาคิดดีหรือว่าพูดความดีทั้งหลายมันก็อยู่ในกลุ่มของภาวนา การเจริญกุศลทีนี้ท่านบอกว่าเดือดร้อนเอ่อก็กรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีคือที่จริงเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเนี่ยเราดูได้ในแต่ละขณะไม่ต้องคิดอะไรมากใจเราเดือดร้อนหรือเปล่าที่เราพูดที่เราทำที่เราคิดอย่างเงี้ยถ้าใจเราผิดปกติแสดงว่าเดือดร้อนแน่ เพราะมันเริ่มที่ร้อนนะฮะทีนี้ถ้าใจเราเย็นว่าจ่าเราจะไผ่ราะกิริยาการก็จะซ่าอ่อนน้อมใจิตใจก็จะอ่อนโยนว่าจ่าก็จะอ่อนหวานนั่นก็แสดงว่าดีละเพราะอาการใดก็ตามที่ไม่ทําตนเองให้เดือดร้อนไม่ทําบุคคลอื่นเดือดร้อนเอาขนาดนั้นนะ่ยมันก็เป็นการดีละ ทายดีกันไปกว่านั้นก็คือการใดก็ตามที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นการกระทํานั้นก็เป็นการดีแล้วถ้าขยายตัวประโยชน์ออกไปกว้างใหญ่ไพศาลก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากและท่านก็บอกว่าญาคารบุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือนั่นเองฉันใดความเป็นสัมปณะ อันบุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดไปสู่นรกได้นี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของพระของโยมของใครก็ตามคือถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างนี้นะหมายความมาคมคนที่สวมชุดขาวเนี่ยต้องระมัดระวังตัวมากกว่าสวมชุดหม้อห่อมสวมชุดชุดอะไร อะไรถ้าเพื่อนนิดเดียวมัก็จะเห็นนะการกระทาเป็นอันมากที่ชาวบ้านทําไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่พอพระทํำข้าวกลายเป็นเรื่องเสียหายเพราะพระเราที่จริงใกล้ทางนารกแล้วก็ใกล้ทางสวรรค์กลายทางนิพพานนะนะศีลเป็นอันมากที่สําหรับชาวบ้านเขาไม่ถือว่าผิดศีล แต่ก็อาจจะเป็นการผิดธรรมะแต่พระบางครั้งบางคราวแม้แต่คิดเนี่ยมันก็ผิดละจิตขุดหมูสะหมองแล้วแล้วที่ท่านยืนยันก็คือว่าออชุดเหนียวรั้งปรักใสก็แล้วแต่ท่านชายลงสู่นรกเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้ตรงนี้พูดได้ แต่พอบทความบทความหนึ่งเขาพูดเขาตั้งหัวข้อว่าใครทำนิพพาในให้ตกหลน่นเขตั้งคำถามัก็ผิดแล้วนะฮะนิพพานเนี่ยมันมีมาก่อนที่จะมนุษย์จะเกิดนะฮะธรรมะเนี่ยมันเกิดก่อนใครหมดแหละนิพพานเนี่ยคนจะบำเพ็ญเพียรบรรลุนิพพานาหมดทั้งโลกนิพพานยังเท่าเดิมไม่ได้หายไปไหนฮนะ คุณธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยแต่ใครจะปฏิบัติให้สมบูรณ์แล้วก็บรรลุมาผลนิพพานไปธรรมะก็ยังเท่าเดิมคนก็ยังปฏิบัติได้ผลเหมือนเดิมเราเทียบอากาศอากาศบางครั้งนี่อาจจะเป็นพิษนะ<ม>เพราะมีสิ่งป้อมปนเข้ามา แต่ธรรมะเขามีความชัดเจนก็ เ, เป็นกุศลคือเป็นกุศลเป็นอกุศลคือเป็นอกุศลเลยแล้วก็เป็นคุณเป็นโทษตามสมควรแก่กันเองการเหนีร่างลงสู่นรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะภูมิจิตมันตกภูมิธรรมมันตกพบที่จิตจะไปบัตรก็ตกเนื่องจากจิตคุณหมัวสมองในข้อนี้ก็ตรงกับพระพุทธธรารัที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เยอะหนาตรงเนี้ย เช้นบุคคลที่ทําบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าตนได้ทาบุญไ้แล้วในกรณีกอนคนที่ทําบาปก็ทรงสแสดงว่าบุคคลผู้ทําบาปกรรมเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าตนได้กระทาบาปเอาไว้ ยังคาถาเปรตอ่ะเทือธุส า, าโนโสเนี่ยโดยเจนว่าเป็นการกระทำบาปข้อเดียวคือการเมสุมิชาจารยังนึกว่าถ้าคนเชื่อเรื่องเปรตมีน้ะอันเรื่องอัญญตราบุรุษเนี่ยทือเรื่องเปรตเนี่ยแล้วก็งดเว้นเรื่องระมัดระวังที่เกี่ยวกับความสัาสโซในทางเพศ สังคมจะดีขึ้นเยอะแต่สังคมในปัจจุบันเป็นปนัญหาที่เราน่าห่วงใหญ่คือเราเราค่อนข้างชัดเจนน ะ, ะว่าเปอร์เซนในเรื่องเหล่าเนี้มากขึ้นทุกข้อเลยการละเมื่อศีลทุกข้อนี่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าคนที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมะก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าการกระทำความดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์ คนก็ไม่นำมายกย่องกันเพราะว่าคนปกติเขกากลิษยาแต่มนุษย์มีวิหิงสานะมันชอบนำเสนอข่าวในทางลบอย่างข่าวบางอย่างเนี่ยค่อนข้างอึดอัดฟังแล้วเราอึดอัดใจอย่างกรณีครูที่ไปล่วงเกินเด็กตั้งสี่ห้าคนเนี่ย ดูหน้าตาเขาก็เชื่อมันอ่นน่ะเขาแสดงเขาเคลื่อนเคลื่อนไหวนี่แยวแสดงเขาเชื่อมั่นว่าเขาไม่ผิดแต่เราก็นึกไม่ออกอะว่าเด็กแกจะเามาพูดได้ยังไงมันก็ปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปก็อย่าไปบบสันเติมอะไรเบอร์นี้มันมีประโยคนหนึ่งที่เราพูดถึงความเป็นกลางคือยังไม่เข้าใจไอ้กลางนั่นคืออะไร ถ้าเราพูดเรื่องตัวบทกฎหมายก็กฎหมายนี่เป็นมาศคุณว่ากลางหรือไม่กลางไม่รู้แหละนายกรเราเห็นนายกฆ่าคนเราบอกว่านายกฆ่าคนอ่ะก็เราเห็นนะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางก็ไม่รู้แต่เราก็พูดตามที่เราเห็นถ้าไม่ได้เห็นเราก็บอกเราไม่ไเห็นเพราะในจริงความเป็นกลางเนี่ยมันยุติด้วยเหตุผลและความดีมันเป็นมาศวัด แต่ถูกใจคนตลอดไปนี่ไม่ได้ปัญหาเวเนียที่ปัญหามันเกิดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมันเรื่องความถูกต้องกับความถูกใจคนที่ยึดถือความถูกต้องก็ถูกกลาวหาว่าไม่เป็นกลางเพราะไม่ถูกใจพวกตัวเองแล้วคนที่ต้องการความถูกต้องนั่นแหละ มุคนไม่ยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านั้นเขาก็ว่าคนเหล่านี้ไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราหาข้อยุติไม่ได้มันจะพูดยากแต่หาข้อยุติได้นี่จะง่ายเมื่อต้นเดือนต้นเดือนสิงหาวันวันจันทนระ์นะนึกสามาอัจฉรแห่งหนึ่งนิมนต์ให้ไปบรรยายเรื่อง จริยธรรมของบุคคลที่จะทำหนะ้าที่เป็นตุลา ก, การบอกเอ๊ะอะไรเด็กเด็เกิดสนใจเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแลยก็บรรยายให้แกวฟังก็ทั้งหมดก็รู้สึกจะชุ่มบุกว่ากว่าแต่เราใช้เกณ์ในทางศาสนาใช้มาตวัดในทางศาสนาแล้วท่านก็เน้นนะฮะว่าการงานอันใดที่ยอดยอด และวัดปฏิบัติที่เศร้ามองหมายความมันทำอะไรก็ตามมันย่อหยอดมันหยอดแอยะมันไม่ได้เรื่องคือยังมองก็นึกจะคุยกับเขานะนึกจะคุยกับคุณหมอคือไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลหมอเรียกเข้าโรงพยาบาลก็ไปสวดทางเดินอาหารก็่ทุกครั้งนี่เราพบว่าในห้องเนี่ย จะมีปัญหาอย่างไรอย่างไรนานมาแล้วหลายปีมาแล้วเป็นนอนปรากฏว่าน้ําแอร์นี่รั่วลงมาจากข้างบนเลยตอนนี้ก็ไปก็ปรากฏว่าไอ้ก๊อกน้ําเนี่ยก๊อกน้ํามันมันเสีย ย, ยงนึกว่าเออเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่ซ่อม บ, บํารุงนะฮะมันต้องมีการตรวจสอบด้วย ถ้ารอยมันเสียแล้วมันซ่อมเนี่ยมันก็คงจะยุ่งนะงานเยอะๆยะเนี่ยอันนี้คืองานเนอลักษณะที่ที่ย่อดย่อนคืองานบางอย่างเนี่ยมันมีความต่อเนื่องคือเราต้องทำต่อเนื่องอหยุดไม่ได้ขาดไปสักวันสองวันเราก็ยุ่งละแล้วลการบิบัติอะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยเรียบร้อย แล้วก็ อ, กอย่างหนึ่งที่ก็บอกว่าพรห ม, มจันทร์อันใดที่ตามมาลึกด้วยความรังเกียจใจพรห ม, มจันทร์อย่างที่บอกท่านสาธุชนน่ะว่ามันเยอะมากคือสิบข้อใหญ่ๆทานนี่ก็เป็นพรห ม, มจันท์สีนี่ก็เป็นพรห ม, มจันทร์การพึ่ตนอ่อ น, น้อมถ่อมตนระบุคลทั้งหลายนี่ก็เป็นพรห ม, มจันทร์การช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบนี่ยก็เป็นพรห ม, มจันทร์ศีบแปดเด็กก็เป็นพรห ม, มจันทร์แล้วก็ พระมหันศีหรื อ, อประมายาศีเนี่ยก็เป็นพระมหัจฉ์ควโวโซตศีนก็เป็นพระมหัจย์อริมักเป็นองแปกก็เป็นพระมหัจฉ์และในที่สุดปุ๊บเอามาก็ศาสนาพระมหัจฉ์คือศาสนธรรมทั้งปวงที่จะต้องกําหนดรู้ที่จะต้องละที่จะต้องทําให้แจ้งที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็สรุปว่าเป็นพระมหัจฉ์เพราะนพรมาศตรงนี้เข้ามาวัดเนี่ยบุคคลมีเบื้องหลังด้วยกันทั้งนั้น ไอ้มายังมองถึงคำใหม่ๆที่เขาใช้เวยเนี่ยทุจริตเชิงนโยบายมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่ตางๆหลายคำนะคือเราเรานึกว่าไอ้เนี้ยจริงๆมันกล่าวหาใครก็ได้เช่นสมมติว่านายกเป็นเป็นรัฐบาลเป็นคณะรัฐบาล แล้วก็ไปส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรกรรมแก่ประชาชนทั่วไปนั่นแหละแต่พอดีนายกมีญาติพี่น้องทำนาอยู่เลยแกก็รับสิทธิในฐานะที่เป็นชาวนาคนหนึ่งแต่พอกล่าวหามากล่าวหาอั น, นี่เป็นทุจริตเชิงนโยบายมีผลประโยชน์ซ่อนเร้นแอบแฝงอะไรแต่สมนวนสมัยนี้เกิดขึ้นเยอะเลยคือถ้าจับผิดกันอย่างนั้นนี่มนุษย์ไม่ต้องทาอะไรเลย พอมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอะ ม, มนุษย์จะรู้จักกันแสังคมไทยรู้จักกันแล้วคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในข้างตรงเนี้อยู่เคลื่อนไหวยึ่ทางสื่อเนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึงสองล้านคนนะหรือส่วสนใหญ่ ก, ก็ก็รู้จักกันคนเป็นนั้นมากที่รู้จักกันเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเอาประเด็นนี้มาเป็นเกณฑ์วัดแล้วเนี่ยที่จริงไม่ใช่มากเลยนะฮะเป็นอคติ แล้วก็ไม่ตรวจสอบตัวเองแต่ว่าจะตรวจสอบคนอื่นคือยังนึกถึงถึงว่าคนเราที่ที่ทํางานเนี่ยมันมีไหมที่เราไม่เสียภาษีส่งไปตรงมาเอาเรื่องจะต้องเสียภาษีแต่เราไม่เสียมีการสอนพิเศษอะไรๆครูบาอาจารย์ที่เน้นจริยธรรมสูงๆเนี่ยมีไหมที่เธอไม่เกียภาษีส่งไปตรงมาเนี่ยตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบตัวเอง ไอ้เ น, นี่ยคือเป็นพรหมจันท์ที่เราประพฤติแล้วด้วยความรังเกียจใจเอ๊ะคราวนั้นเราไม่ดีนะคราวนั้นเราพูดไม่ดีนะคราวนั้นเราคิดไม่ดีนะั้นคนั้นเราประพฤติไม่เหมาะสมนะมันเป็นบนชินใจมบนชินใจตรงนี้ถ้าจิตมันขุนเปี่ยมเหนียวนึกเอานี่นะเป็นเหนียวนึกเอาอย่างที่ท่านเล่าไว้เนี่ยลัทธิธรรมดว่มามันจิตมันนิดเดียวเองพระรูปหนึ่งชิดติดสะท่าน ถึงคราวเย็บสะบงฤจิวรเนี่ยนะสมัยนั้นเขาก็เย็บกันเป็นมหากรรมแล้วก็ช่วยกันพี่สาวเป็นเจ้าภาพให้สักเย็บเรียบร้อยสักย้อมเรียบร้อยอยังไม่ได้ใช้อะมีพี่สาวก็เลี้ยงดูพระที่เข้ามาช่วยกันเย็บจีวรพระน้องชายน้องชายฉลองศรัทธาพี่สาวมากเกินไปก็ฉันเสียอิ่มเลยอาหารไม่ย่อยแล้วก็หมอนภาพ จิตไปเหนียวเอาจิตไปเหนียวเอาที่สบงเกิดเป็นเล่นนะั่นว่าจพระบาเพ็ญเพียรทางจิตไปสูงส่งขนาดนั้นเกิดเป็นเล่นได้เป็นบริขารที่ไม่ได้มอบมาให้ใครก็ตกเป็นสบัดของสงฆ์พระก็ตั้งใจจะแบ่งกันปรากฏว่าเล่นอรารวาทเด็กโกรธพระเจ้าทรง ได้ยินด้วยที่พระจักสุก็รับสั่งภิกษุท่านไม่บอกหรอกไม่ไม่รับสั่งบอกบอกค่อยแบ่งก่อนค่อยแบ่งก่อนให้เลยเจ็ดวันไปก่อนพระสงฆ์เห็นว่าถ้าภิกษุกืนแบ่งจีวรตรงนั้นเน่ยตัวเล่นจะเกิดโทสะว่าภิกษุเอาจีวรเราไปแบ่งกันคิดว่าทุสร้ายต่อพระและจะตกนรกนะตอนนั้นต้องรักษาจิตเอาไว้เห็นไหมว่าจิตรักษายากนะ นันไปเหนี่ยวเอาสักเรื่อง น, น่แล้วก็หกกระเมนตีลังกาหายไปเลยเพราะในขอน้อนี้ท่านเทพบุตรได้กล่าวไว้ว่าทั้งสามอย่างนั้นนะ่ะย่อมไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อนวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองแล้วก็การปฏิบัติความดีแต่ยังมีแหนงใจรังเกียจใจอัดใจขัดข้องใจอยู่มันไม่ชัดเนจนก็รู้สึกไม่สบายใจ พปัญหาเหล่าเนีเออ้ต้องระมัดระวังเยอะโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระวินัยปรากฏว่าตายนาเทพบุตรกราบทูลจบเนี่ยอันตรธานไปเลยพระพเจ้ารับสั่งรูกในเช้าก็รับสั่งเล่าเรื่องทั้งปวงนี้ให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังและรับสั่งในตอนสุดท้ายว่า พิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงศึกษาจงเล่าเรียนจงทรงจำตายนาคาฐานี้ไว้นี่รับสั่งมาสองพันกว่าปีแล้วนะฮะ mm hmm. ก็เรียกว่าพระเราพอบวชสักระยะหนึ่งเนี่ยตรงนี้ต้องท่องได้ละเพราะต้องสวดทุกๆหลังปาฏิโมกข์เป็นการกระตุน้นเตือนจิตใจของพระให้สนะให้สำนึกให้สำเนียก รายะเว่าทั้งหมดเป็นการละ บ, บาปบาเพ็ญบุญแต่เป็นการแสดงกระบวนการของกรรมคือเจตนาตัวผลและก็ความใมเจ้าของผลตลอดถึงตัวผลนี้จะนำไปสู่พบภูมิทิพย์นตทรงแสดงโทษบาปในระดับของนรกทรงแสดงคุณค่าในระดับของรูปฌานคือเป็นพรม เราจะเห็นว่าธรรมะเหล่านี้ที่จริงก็ไม่มีอะไรก็คืออยู่ในกรอบของใจสิกขากรอบของการละบาปการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำกิจได้ผ่องใสผ่องแพ้วปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่การพยายามประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้ราคะมันลดลงโลภะลดลงโทสะลดลงโมหะลดลง จะทำยังไงจะให้ลดลงบ้า ง, าง น, นี่ก็เป็นเป็นหลักการสำคัญประการหนึง่งแต่เราถือว่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตนะคือหมายความว่าพระเจ้ารับรองก็เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตแต่วันก่อนพบหนังสือท่านอ้างว่าเป็นเป็นพุทธภาษิตึึงลักษณะเหล่นนานี้ก็ไม่แน่นะฮะอย่างขัติโยเศทโฉเนตสมิงเยโกตปิสาริโน วิชาเจนะสัพพโนโสเศธวเดวามานุเสเนี่ยท่านสนังกุมาราพรพ์เป็นคนกล่าวแต่เราพบบางแห่งว่าพุทธเจ้าทรงแสดงปัญหาสาคัญว่าสนังกุมาราพรพ์จาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปกล่าวหรือพระเจ้าทรงรับรองคํากล่าวของท่านสนังกุมาราพรพ์ หรือแม้แต่นิจาวัตสังขาราเนี่ยเราจะพบว่ า, า, า, ากกทัศกะเทรากก็นําไปกราวตอนพระเจ้านิพพานอันนี้เราชัดเจนนะครับว่าอูะเจ้าทรงแสดงเองหลายครั้งด้วยที่ประรคความตายให้กา ร, การเจริญมนานุสติกับพุทธบริษัททั้งหลายทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูบุ์ในธรรมต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี